อนุโลมโอกาส1 0ึ่อนุโลมปุชขาทุกขสัตย์ในภูมิใดกําลังดับละอนุโลมปุคโรกาตหนึอนุโลมปุขมปชขาทุกขสัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสมุทรยศสัต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังข้าาแห่งอุปัต ตีจิตของบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิ rolls. บุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิทุกขสั์ของบุคคลเหล่นานั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สมุทัยสั์ไม่เคยดับบุคคลนอนกนี้ผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังข้าณาแห่งจิตในประวัติการทุกขสั์ของบุคคลเหล่นานั้นในภูมินั้นกําลังดับและสมุทัยสั์ก็เคยดับ ปฏิโดมปุจฉาสมุทิยศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับทุกขศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุ ป, ปาทาขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังขัศนาขแห่งมรรคและผลในอรู ป, ปรภูมิสมุทิยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ทุกขศาสตร์ไม่ใช่กําลังดับ บุคคลผู้กำลังจุดติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังข้าขนาแห่งจิตในประวัติการสมุทัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและทุกขสั์ก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขสั์ของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังดับมัคขสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนา ในพังค์ข้าแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังค์ข้าแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังจุติจากอาจารยสัตตภูมิทุกข์สัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มัคสัจไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังค์ข้าแห่งจิตในประวัติการ ทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมกขัสัจก็เคยดับปฏิโรมปุจฉามกขัสัจของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับทุกขัสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้มรรลุตึงกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคะคณะแห่งมรรคและผลในอรู ป, ปรภูมิ มกษัตริของบุกคนล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ทุกข์ัตรูไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังค์ข้าแห่งจิตในประวัติการมกษัตริย์ของบุคคนเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและทุกข์ัตรูก็กำลังดับ110อนุโลมปุจฉาสมุทรยศัตรูของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับมกษัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหม พิเศชนาะในพังคขณ า, ขาแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทรยศของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มกษัตริย์ไม่เคยดับในพังคขคณะแห่งตันหาบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทรยศของบุคคลเหล่านั้น ใ, ในภูมินั้นกําลังดับและมกษัตริย์ก็เคยดับปฏิดมปุชชา มรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสมุทยัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจารนาในอุปาทัคณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สมุทยัยสัตว์ไม่ใช่กำลังดับในพังทัคณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุ มกษัตริย์ของบุคคลเหลนั้นในภูมินั้นเคยดับและสมุทรยศัตร์ก็กำลังดับปัจจนิก บ, บุคคล111อนุโลมปุจฉาทุกขสั์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสมุทรยศัตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมพิจัชนาเคยดับปฏิโดมปุจฉา สมุทัยสัตย์ของบุคคลใดไม่เคยดับทุกขสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมพิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาทุกขสัตย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้ใดบรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตในปวัตติการและในพังคคณาแห่งมรรคและผลในอรูปปภูมิ ทุกขจตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแด้มัตริย์มิลใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมักขจัตก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉามักขจัตของบุคคลใดไม่เคยดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมพิจัชนา บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับแต่ทุกขสัตว์มิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังดับ1นึออนุโลมปุจฉา สมุทัยสัตย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมคสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติสมุทัยสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มคสัตย์ไม่ใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุ เมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญยศตตภูมิสมุทรยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมัคคสัตย์ก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉามัคคสัตย์ของบุคคลใดไม่เคยดับสมุทรยศัตร์ของบุคล ค, บบคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณ า, าแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุ มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับแต่สมุทยัยสัจมิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจแจกตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสตัตตภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับและสมุทยัยสัต์ก็ไม่ใช่กำลังดับปัจจนีก็โอกาสหนึ อนุโลมปุจฉาทุกข์สัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละปจจณีกับปุคโลกาฏหนึอนุโลมปุจฉาทุกข์ัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวกา ร, รภูมิและปัญจโวกา ร, รภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการ และในพังค้ขนาดแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สมุทัยจัตไม่ใช่ไม่เคยดับในอุปาทขนาแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาตภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาตตะภูมิทุกขจั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและสมุทัยจัตก็ไม่เคยดับ ปฏิโลมปุจฉาสมุททยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังฆขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัดอยู่ในตุทาวาตภูมิบุคคลผู้กําลังจุตีจากอจัญญสัต ต, ตภูมิสมุททยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ทุกขจัตไม่ใช่ไม่กําลังดับ ในอุปาทขศนาแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอัตยศตตภูมิสมุทยศัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและทุกขศัตย์ก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขศัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมรรคศัตย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัรนา บุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการและในพังขขณะแห่งมรรคและผลแนวรูปประภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มรรคสัจมีใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการ ผู้กําลังอุบัติในอาสนยะสัตตภูมิทุกขัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมรรคสัจก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับทุกขัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจาชนาในพังค์คณาแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาตภูมิ บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังจุติจากอาจารย์ยศตภูมิมักขั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ทุกขัต์มิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณาแห่งปุปฏิจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการ บุคคลผู้กําลังอุบัติในอาจารย์ย ศ, ยศตภูมิมรรคสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและทุกสัตย์ก็ไม่ใช่กําลังดับ1นึ 115. อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุ ป, ปาทขคณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุ เมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มัคสัตว์มิใช่ไม่เคยดับเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่เวิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคล อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิสมุทรยศัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมัคคสัตก็ไม่เคยดับปฏิโดมปุจฉามัคคสัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสมุทรยศัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคะขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ แต่สมุทัยสัตว์มิใช่ไม่กำลังดับเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่ในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังดับ 5ปัจจุบันนานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลหนึ่งอนุโลมปุจฉาทุกข์สัตว์ของบุคคลใดกําลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัรนาในพังคาณาแห่งอรหัตมรักและในพังฆขณ า, าแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคล จากได้อรหรัตมักในลำดับแห่งจิตใดในพังค้ขนาแห่งจิตนั้นทุกขจัตของบุคคล น, นั้นกําลังดับแต่สมุทรยัตจัไม่ใช่จจกดับบุคคล น, นอกนี้ซึ่งกําลังจุติในพังค้าขนาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและสมุทรยัตจัดก็จจกดับปฏิโดมปุชชาสมุทรยัตจัดของบุคคลใดจจกดับทุกขจัตของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับ ใชไมวิตัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและในอุปาทขคณาแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นแจกดับแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจจกดับและทุกขสัตย์ก็กําลังดับ อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดกำลังดับมัคขจัตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคฆาขณาแห่งอรหัตตมักและในพังคขฆาขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกำลังจุติในพังคขฆาขณาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มัคขัตไม่ใช่จักดับ บุคคลแจกได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในพังขขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักซึ่งกำลังจุติในพังค้าขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมขสัตว์ก็แจกดับปฏิโลมปุจฉามุกขสัตว์ของบุคคลใดแจกดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทัศขณะแห่งอรหัตมัก บุคคลจจกได้มรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นพูดจจกได้มรรคซึ่งกำลังจุติในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการและในพังคะคณาแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิมรรคสัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกสัตไม่ใช่กำลังดับบุคคลจกไดอรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้น บุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักซึ่งกาลังจุติในพังฆขนาขแห่งจิตในประวัติการมัคคสัตของบุคค ล, ลนั้นจักดับและทุกขสัตก็กำลังดับ1นึรอดนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตของบุคคลใดกำลังดับมัคคสัตของบุคคลนั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัดชนะในพังคาขนาแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชน ซึ่งจักได้มร์สมุทรยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่มรรคศาสตร์ไม่ใช่จักดับในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มร์สมุทรยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและมรรคศาสตร์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคศาสตร์ของบุคคลใดจักดับสมุทรยศัตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทคณาแห่งอรหันตมร์ บุคคลแจกได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นในอุปาทขคณาแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้าวิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมักขสัตคือบุคคลเหล่านั้นจจกดับแต่สมุทยสัต์ไม่ใช่กําลังดับในพังคขัาขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มัก มรรคจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นจัดดับและสมุทยิยจัตก็กําลังดับอนุโลมโอกาส118อนุโลมปุจฉาทุกขจัตต์ในภูมิใดกําลังดับและอนุโลมปุกคโลกาหนึอสิบเอนุโลมปุจฉาทุกขจัตต์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสมุทยิยจัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัดชนาะ ในพังคข้าขนาดแห่งอรหันตามรักและในพังคข้าขนาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหาันตามรักในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังจุติจากอจัญญสัตตภูมิทุกขจักบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สมุทยสัจไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในพัง ข, าขา้าขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสมุทรยศตั์ก็แจกดับปฏิโลมปุจฉาสมุทรยศตั์ของบุคคลใดในภูมิใดายแจกดับทุกขจัต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขขณะแห่งจิตในประวัติการ และในพังคาขนาแห่งมักและผลในอรูปประภูมิสมุทัยสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ทุกขสั์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุดติจากจัตโตโวการภูมิและปัญโวการภูมิในพังคาขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับและทุกขสั์ก็กาลังดับอนุโลมปุจฉา ทุกขะตัดของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมรรคะตั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังฆขณะแห่งอรหัตตะมักและในพังฆะขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกําลังจุติในพังฆะขณะแห่งจิตในปวัตติกาล บุคคลผู้กําลังจุตติจากอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มตรรจจไม่ใช่จักดับในพังค ข, ขนาแห่งมรรจในปัญจโวการภูมิบุคคลจักไดอรัตมรรจจในลําดับแห่งจิตใดในพังค ข, ขนาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรจจถึงกําลังจุตติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัต ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมรรคสัตว์ก็จักดับปฏิโมดมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจาชนาในอุปาทคณาแห่งอรหัตตมรักษ์บุคคลจักได้อรหัตมรักษในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขณาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักษึที่กำลังอุบัติ ในอุปาทัคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังทขณะแห่งมรรคและผลแนวรูปประภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่กําลังดับในพังทขคณะแห่งมรรคในปัญจโวการภูมิบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในพังทัคณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกําลังจุติ ในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการมัคคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุคสัต์ก็กําลังดับ120อนุโลมปุจฉาสมุทริยะสัต์ของบุคคลใดในภูมิใดกําำลังดับมัคคสัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังค์ขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้บัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มัค สมุทธยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มรรสั์ไม่ใช่จักดับในพังขัคคนาแห่งตัณหาของบุคคลผู้จักได้มรรสัดสมุทธยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมรรสั์ก็จักดับปฏิโดมปุจฉามรรสั์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุธยสัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขนาแห่งรหัตมรรส บุคคลจักได้อรัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณาแห่งจิตน <t ell nome> ั้นในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่มัคคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมุทยสัต์ไม่ใช่กําลังดับในพังคขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักมัคคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุทยสัต์ก็กําลังดับ ปัจจนิกะ บ, บุคคลหนึอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคณาแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในรูปประภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สมุทัยจัตมิใช่จักไม่ดับ ในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตะมักแต่ในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันตะบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นและในพังคขัณาแห่งมากและผลแนวรูปประภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทยจัตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทยจัตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ ท, ทุกัษะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจารณ์ในพังคขณะแห่งอรหัตตะมักและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันต in ์บุคคลบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในพังธขณะแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกษะไม่ใช่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตตะมักและในอุปาทคณะแห่งจิตของอรหันต์บุคคล บุคคลจากดัอรหัตตมักในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นในพังคัคณะแห่งอรหัตมักและอรหัตผลในอรูปประภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุคศัตร์ก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาทุคศัตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมัคศัตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจารณา ในอุปาทขศนาแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในภาวัติการในพันคัศนาแห่งมรักและผลแนวรูปปภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรักษ์ขัสัจมีใช่จักไม่ดับในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันต์บุคคล บุคคลผู้เป็นปุตุชนที่จักได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการและในพันท ข, ขณาแห่งอรหัตมรรคและอรหัตผลในอรูปปภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและมรรคจัตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชามรรคจัตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดั บ, บ, ใ, ชดบใช่ไหมวิจชนาะ ในพังค์ขณะแห่งอรหันตมรคและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรคซึ่งกำลังจุติในพังค ข, าขา้าณาแห่งจิตในประวัติการมรคขัดสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขัต์มิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทข้าณาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุ ช, ชนที่จักไม่ได้มรคซึ่งกำลังอุบัติ ในยุปาทคณาแห่งจิตในประวัติการและในพังคธาณาแห่งอรหัตมรักและอรหัตผลในอรูปประภูมิมรรคสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุคสัตย์ก็ไม่ใช่กำลังดับหนึอยยอนุโลมปุจฉาสมุทัยสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา ในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตะมักบุคคลจจกได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลเราอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจแจกตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารย์ยศตธธภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มักขสัต์มีใช่จากไม่ดับ ในพังคลขณะกแห่งอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นบุตรชนทึ้งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอาจารย์สัจตภูมิสมุทัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมัคคสั์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉามัคคสั์ ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังขคขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุตุชนตึงจักไม่ได้มักมักกัดจัดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยสัตว์มิใช่ไม่กําลังดับในพังขคขณะแห่งอรหัตตะมักอรหรันตะบุคคลในอุปาทคณาแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุตุชนตึ่งจักไม่ได้มัก เมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาสัญญสัตต ภ, ภ, ภ, ภูมิมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยสัตย์ก็ไม่ใช่กำลังดับปัจจนีกะโอกาสหนึ่รอมอนุลมปุจฉาทุกสัตในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับและปัจจนีกะ ปุกคโลกาส1บสอนุโลมปุชชาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสมุทรยศจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขคณาแห่งจิตในประวัติการและในพังคัคณาแห่งมรรคและผลในอรู ป, ปรภูมิ ทุกกจัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ตมุทยญาจัดมิใช่จักไม่ดับในอุปาทขคณาแห่งอรหัตตะมักและในอุปาทขคณาแห่งจิตของอรหันตบน์บุคคลบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นและในพังคขทัคณาแห่งอรหัตตะมักและอรัตผลในรูปประภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอญญาจารย์จัดตภูมิ ทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและสมุทัยจัตก็ใใไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งอรหัตตะมักและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลจจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสตภูมิสมุทรยศตั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกข์สัตว์มิใช่ไม่กําลังดับในอุปาทขนาแห่งอรหัตมรักษ์และในอุปาทขนาแห่งจิตของอรหันต์บุคคลบุคคลจจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขนาดแห่งจิตนั้น และในพังคขณะแห่งอรหัตมรักและอรหัตผลในรูปปภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาจารย์ัตตภูมิสมุติยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกขจัตก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมรรคจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจาชนาะ นุปาทัศนาแห่งอรหัตมัคในปัญจโวการภูมิบุคคลจากไดอรัตมัคในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นบุคคลเราอื่นผู้จากได้มัคซึ่งกำลังอุบัตในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการและในพังคขัตนาแห่งมัคและผลในอรู ป, ปรภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มัคจัตมิใช่จากไม่ดับ ในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันต์บุคคลบุคคลผู้บัตรอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักตึงกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งอรหัตมรักและอรหัตผลในอรูปภู ม, ภมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอบายภูมิและอสัญญาตภูมิทุกกระตัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับ และมกษัตริย์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกษัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังข้าณาแห่งอรหันตมรักและในพังคข้าณาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บัดอยู่ในอัมบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรักซึ่งกำลังจุดติ ในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังจติจากอบายภูมิและอสัญญาตระภูมิมกรก์ของบุคคลเหล่านั้นในภูนั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขจัดไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทคณาแห่งจิตของอรหันตาบุคคลบุคคลผู้บัตรอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคตึงกาลังอุบัต ในอุปาทัศนาแห่งจิตในประวัติการและในปังคขณะแห่งอรหัตตมรักและอรหัตผลในรูปประภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาบายภูมิและอัศญย์ัตภูมิมรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จำลังดับและทุกขจัตก็ไม่ใช่กําลังดับ 1. 25อนุรมปุจฉาสมุทัยจัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับ มักษัตริของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตมักบุคคลจกได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นและในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นซึ่งจกได้มักเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่สมุทยัยสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังดับแต่มักษัตริย์มีใช่จักไม่ดับ ในพังคขณะแห่งอรหัตมักในอุปาธขณะแห่งตันหาของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บัตรอยู่ในบายาภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอัตัญญาัตตภูมิสมุทัยจัตตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมกัดจัตต์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉา มรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจติชนาะในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้บัดอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุ้ดุชนทึ้งจักไม่ได้มรรคมรรคสัตจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยสัจไม่ใช่ไม่กำลังดับในพังคขณะแห่งอรหัตมรรค ในอุปาทขณาแห่งตันหาของอรหันต์บุคคลบุคคลผู้บัตอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตตภูมิมักขัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังดับ 6. กอตีตานาคตาวาน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลหนึอนุโลมปุจฉาทุกกระตัดของบุคคลใดเคยดับสมุทัยจัดของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตามักอรหันตบุคคลและบุคคลจจกได้อรหัตามักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นทุกกระตัดของบุคคลเหล่านั้น เคยดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกข์สัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับละวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกข์สัตว์ของบุคคลใดเคยดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคข้าคณาแห่งอรหัตมรรค่ อรหันต์บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่มรรคจัตไม่ใช่จักดับในอุปาถะขณะแห่งอรหันต์มักบุคคลจักได้อรหัตต์มักในลำดับแห่งจิตใดในมงเลบในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเราอื่นผู้จักได้มักทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและมรรคจัต ก, ก็จักดับปฏิโรมปุจฉามรรคจัตของบุคคลใดจักดับ ละวิจัดชนาะใช่1 2ึ่อนุโลมปุจชาสมุทรยศจัดของบุคคลใดเคยดับมักจั์ของบุคคล น, นั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังขขนาแห่งอรหัตมักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มักสมุทรยศจัดของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่มักจั์ไม่ใช่จักดับ ในอุปาถะขณะแห่งอรหัตตะมักบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใจในเว็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและมัคสัตว์ก็จักดับปฏิโดมปุจฉามัคสัตว์ของบุคคลใดจักดับละวิดัจฉนาใช่อนุโลมโอกาส128อนุโลมปุจฉา ทุกขจัตในภูมิใดเคยดับละอนุโลมปุกคโรกาศหนึอสิอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดั บ, มมดดดมดดบสมุทัยจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตมัคอรหันตบุคคลบุคคลผู้จกได้อรหัตมัคในลำดับแห่งจิตใด ในมงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัจตภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สมุทยสัจไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสมุทยสัจก็จักดับปฏิโดมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ ทุกขจ right? ัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังอุบัตในสุทาวาฏภูมิสมุทิยจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ทุกขจัตไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสมุทิยจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกขจัตก็เคยดับอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ มรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังขณะแห่งอรหัตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นผู้ถุกชนซึ่งจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่มตรรคสัตว์ไม่ใช่จักดับในอุปาทคณาแห่งอรหั ต, ตมรรค บุคคลจจกได้อ ร, รัตมักใ น, ในลำดับแห่งจิตใจในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จจกได้มัก sal ทุกขจัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและมักขจัตก็แจกดับปฏิโลมปุจฉามักขจัตของบุคคลใดในภูมิใดจจกดับทุกขจัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในตุธาวาสภูมิมักขจัตรย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจจกดับ แต่ทุกขัสัตไม่เคยดับในอุปาทขณาแห่งอรหัตมัคบุคคลจักได้อรหัตมัคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัคมัคขัสั์ของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นจักดับและทุกขัสัตก็เคยดับ1นึ่อนุโลมปุจฉ้า สมุทรยศตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับมรรคจัดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังขคณาแห่งอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มักละบุคคลผู้บัดอยู่ในอาบายภูมิสมุทรยศจว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่มตรรคจัดไม่ใช่จักดับในอุ ป, ปาทขณาแห่งอรหัตตะมัก บุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในเน็มเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นพูดจักได้มักสมุทรทยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและมัคคัศ์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉามัคคัศ์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทรทิยสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะเมื่อจิตดวงที่สอง ของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่มรรคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่เคยดับในอุปาทขณาแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหั ต, ตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเราอื่นผู้จักได้มรรคมรรคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุทัยสั์ก็เคยดับ ปจณิภิกขุคคล1ึ่อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดไม่เคยดับสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดไม่ใช่จากดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดไม่เคยดับ มรรคตัดของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจารนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามรรคตัดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขตัดของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจาชนาเคยดับ132อนุโลมปุจฉาสมุทริยตัดของบุคคลใดไม่เคยดับมรรคตัดของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจาชนา ไม่มีปฏิโดมปุชชามกษัตริย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทรยศักรของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชณนาะเคยดับปัจจนิกโอกาส133อนุโลมปุชชาทุกขจักรในภูมิใดไม่เคยดับละปัจจญีกปุกคโอกาสามส อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสมุทัยจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาจักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับอนุโลมปุจฉา ทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมกขัตของบุคคลนั้นในภูม huh. ิน allora ั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนาจากดับปฏิโรมปุจฉามกขัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับ13ึอนุรมปุจฉา สมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิสัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มรรคสัตย์ไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจารยตจตุตภูมิ สมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมรรสั์ก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุชชามรรสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังฆาณาแห่งอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนถึงจักไม่ได้มรักและบุคคลผู้บัติอยู่ในอบายภูมิ มัคคัจจ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทยัยจัตว์มิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัตยู่ในอาจารยจัตตภูมิมัคคัจจ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยัยจัตต์ก็ไม่เคยดับนิโรธวานจบ